ก็สายาน น, นิวส์ตกต่อกันนื่องจากมันก็เหมือนกับหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่ที่เวลามีคนเข้ามาใช้พื้นที่นะเช่นก็ อ, อยู่จังหวัดระยองสวัยก่อนก็ก็ ไปธรรมดาธรรมดาสองสองเฟสสองสายตลาดเขาเปลี่ยนสามสายแล้วก็ไม่พอรงงานลงทีเดียวนี่คนสหกันไประดับบ่อยที่ก็ไฟตกนะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยปลาหละปลาลองนิดหน่อยนะดับแล้วก็เห็ีแล้วอมันก็เป็นปัญหายิ่งยิ่งขึ้นไป ในขณะที่แก้ปัญหาปัญหาใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ลึกลงลึกลงลึกลงลึกลงก็จะต้องมีคนใหม่ที่มีแรงแก้กันมาเรื่อยๆแล้วแต่จะตกลงแล้วแต่จะใช้ความรู้ความสามารถหรือว่าจะยุติเพ mm hmm. อยุติหมายถึงว่าก็แค่นั้นละหรือว่าหันหลังให้กัน เราก็ปล่อยให้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่มันเหมือนเดิมคงธรรมชาติเหมือนเดิมโดยมีบุคคลตัวตนเราเขาก็ไปเกี่ยวข้องใหม่เป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรเลยใดๆทั้งหมดเห็นไหมมันเป็นพลังงานจริงๆของธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันเรามาเยอะมาประโยชน์กันมาประโยชน์จากมีไฟมีแสงเตียนจริงเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตอนนี้ ใช้เตียงต้องใช้ไปใช้ไปต้่งใช้เทียนด้วยจะใช้ผสมกันก็แล้วแต่เราพูดถึงเมื่อกี้เราธรวัดนสวดมนกันก็เหมือนการผู้ใหม่เข้ามารับรู้รับทราบข้อมูลเวลาน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็เรียนรู้จักตัวชีวิตของเรากายใจ ได้ผ่านคำบอกคำสอนคำสวดคำชี้คำนำที่เราเชื่อกันว่าบทสวดที่เราสวดมาจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโด้ ว, ว่าปัดจิมโอวาดเมื่อกี้ที่เราสวดกันบทนี้ก็สำคัญทีเดียวที่ว่าสำคัญกันตรงที่ว่าเราสวดเนี่ยเราไม่ใช่สวดโดยไม่รู้อัตถาพยัญชนะหรือว่าธรรมะมันแฝงอยู่ในบทสวด มันเป็นไปเป็นได้ถ้ารู้ธรรมะรู้ธรรมชาติก็รู้ความลึกซึ้งแล้วมันก็รู้ภาษาด้วยมันจะมีปฏิพานเกิดขึ้นมาในขณะที่เราเกี่ยวข้องกันอะไรก็ตามปฏิพานรธ์ว่าอยู่โดยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียเบียนตัวอื่นร่างกายวาจาใจบทส่วนนี้เราไม่ได้เบียดเบียนใครเร้าลังเป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชนชาวพุทธชาววัด พยายามเช้าที่ผู้นาก็ น, นำเสนอบทสวดนําสวดเราได้สวดก็น้อมก็ามาพิจารณาแต่ว่าพิจารณาในที่นี้ก็คืออ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเลยตอนแรกที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังคนที่เคยได้ยินได้ฟังก็รู้ว่าบทเนี้มเป็นบทสุด ท, ท้ายที่ องสมเด็จสัมมาสัมเจ้ามหาบุรุษเนี่ยได้พูดเอาไว้ทิ้งท้ายสอนมาสี่สิบห้าปีธรรมะศาสนาพุทธแต่ท้ายสุดคนใกล้าตายว่าจะใช้ประโยคที่สรุปมาทางชีวิตัน้เป็นประโยคเด็ดแล้วก็ชี้บอกแบบรัดๆเลยนะชาวพูดตั้งหลายทั้งปวงหรือว่าบุคคลตั้งหลายทั้งปวง เรื่องของไฟก็ตามที่ต้องการใช้ชีวิตนะเนือเกิดเหนือแก่เนือเจ็บเนื้อตายเนื้อทุกข์ก็บ่าเนื้อทุกข์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าทุกข์พัดันจิตใจน ะ, ะสสทุกขและสัตว์เสียทุกสมุทัยนรธมัดต้องการที่จะออกจากทุกข์ที่เป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆหรือความคิดที่มันมีอิทธิพลมีอำนาจ ก, กับชีวิตของเราคีดกันแล้วตาไหลคิดไปดีคิดไปนาเบื่อกนี้ คิดแล้วเป็นปนัญหาทะเลาะบบาแวงกันที่เรวาวิวาดขมูลทุกขพวกนี้ให้เราไม่ประมาทโดยการมีสติปฐานสี่สติปฐานสี่นะมันคือสติที่รู้ไปในเรื่องของกายของใจเรื่องของรูปธรรมนามธรรมกายระเบีรูปกธรรมได้เห็นอนาะการต่างๆกลไกเวลามันเคลื่อนไหวมันอะไรสั่ง รูปอาการเรานั้นอะไรสั่งตัวรู้สั่งตัวหลงสั่งสติปัญญาสั่งตัวกิเลสสั่งแล้วก็ให้รู้จิตใจของเราเวลามันเกิดอาการต่างๆเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่วลาละน า, าการที่มันเคลื่อนไหวมันเป็นนามธรรมการใช้สัญญาสังขารมิญญาณหรือว่าเวทนาติมปรากฏเป็นสัญญาณต่างๆ เราได้รู้สุกตัวหรือไม่ชีวิตของเรามีกายมีใจทีนี้ไอ้กายใจของเราะมันมีสติตามสารชาตญานอันนี้มันก็คล้ายๆกับเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษสเปโตเร <|so|> าก็ยกจิตขึ้นมาเป็นมนุษสเทโวมนุษย์โซซีมนุษย์โซซีจิตใจมันสูงอันนี้ต้องมาเรียนรู้รับรู้ ก็ น, น้อมก็มาใส่ตนแต่ ว, ว่าในบทสวดที่เมื่อกี้เราสวดกันการใช้ชีวิตมันก็ไหลร่างกายมันก็นไหลไปสู่การแก่การเจ็บการตายทุกคนแต่ ว, ว่าการตายเนี่ยลมหายใจเขาออกทุกๆขณะมันก็ใ ก, กล้ความตายไปทุกทีวินาทีหนึ่งผ่านไปมัใกล้ความตายไปทุกทีการทั้งองค์สมเด็จสัมมาจารย์ได้เปรียบเยไว้ว่า ชิตของเราเนี่ยมันเปียบเหมือนกับน้ําค้างบนยอดจญ้าเรต้องแสงพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ละลายหายไปชีิตงเราเปียบเหมือนกับฟองสบู่ฟองสบู่มันก็สวยงามอยู่ภาคเหนือก็แตกโตไปดับไปชิตงเราเหมือนโคโคที่เปชช่าค่าจูสูรหลักทหารทุกๆเก้าของโคมันก็ไกลหลักทหารไกล้เปจชาา่าค่า จะเปิดไปยิงหัวแล้วไม่วระเชืิดคอแล้วทุบคอนทุบ ก, กะโลกมันไกลกไปทุกทีทุกทีทุกทีเพราะนั้นมันประมาทไม่ได้เพราะนั้นทําที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทก็คือสติสัมวัญญาที่เป็นสติปัฏฐาน<ม>สติสัญชาตญาณก็สติลักรูกสติกลัวตายสติหนีหภยัย<ม>เป็นสติน<ม>ที่ต้องการมีชีวิตแล้วก็ อยู่ในโลกใบนี้โดยวจต้องมีวัตุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามมาทำถอยเกิดทุกข์เกิดโทษแต่ว่าความคิดของเราจเป็นภัยที่เรียก ว, ว่าภัยวัตตังสงสารเป็นวัตถภัยแล้วก็เป็นภัยที่อยู่ในตัวเราวัตตังสงสารหรือว่าสังสารวัฏเนี่ย น, นะมันเกิดอยู่ในจิตของเราทั้ตแต่ ต, ตื่นยันหลับ วิธีคิดครั้นหนึ่งะเวลาปรากฏขึ้นมาถาล่มเผลอเข้าไปเป็นภพชาติหนึ่งภพชาติในหัวในสมองมันเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็หลงเผลอเข้าไปแล้วก็ ค, ดกคิดแล้วก็กลุ่มคิดแลร์กรอดคิดแล้วกัก ง, กลงนคลคิดแล้วเหาคิดแล้วว้าเววคิดแล้วเป็นคนขี้น้อยใจคิดแล้วก็เกิดอาการต่างๆมากมายเหลือเกินดีใจเสียใจสุขทุ ก, ทกๆ ตรงนี้เราได้ฝึกสติปัฏฐานแล้วก็จะได้เห็นว่อมันเป็นกลไกลที่มันแก้เกมกันเกมระหว่างตัวรู้กับตัวหลงทุกครั้งที่เรารู้เนื้อรู้ตัวมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นทุกครั้งที่มันหลงตัวมันก็หลงเข้าไปโดยที่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าคิดไม่รู้สึกว่ากรดไม่รู้สึกว่ารักว่าชังไม่รู้สึกว่าสุขว่าทุกไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้กำลังนั่งเดินยืนนอนอยู่ เนี่ยเราไปฝึกมาหัดกันที่นี่วัดป่าสู่ตัวเราพูดถึงความรู้สึกตัวเราก็พากันปฏิบัติทําอะไรก็มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะเริ่มต้นเราก็ฝึกสัของยากก่อนกายหยบาบหาบเอามาจําลองเหมือนกการจะก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆก็จําลองแบบเอาไว้บางทีมันกันในสมองบางทีก็ออกมาเป็นกระดาษเขียนแบบออกมา นล้วก็มีการกระทําลงไปอะไรกร็ตามมันเป็นภาพเสมือนนั่นนะความคิดของเรานี่เหมือนจริง <c oughs> นะเมื่อคืนถ้าใครนอนรอดสติน้อยๆมันตามความคิดไม่ทันเราเห็นวเวลามันฝันนี่เหมือนจริงมากเลยฝนันบางทีตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยเห <c oughs> มือนก็วิ่งหนีใครสักคนเนหะมือนก็มีภยัยนี่ก็เหมือนกับมันมีความสุขมากนอนแล้วก็มีความสุข ตื่นขึ้นมาก็อยากฝันต่อคิดต่อไปอีกนะมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนมันกําลังเกิดขึ้นมาจริงๆะ ใ, ในความฝันพอตื่นขึ้นมาก็ตกลงมันจริงหรือไม่จริงอา้าวมันฝันเนี่ยโอ้โหนึกว่ามันจริงเหมือนกับเอาอาจารย์กําพลทองบุนนุ่มท่านเคยพูดไว้ว่ากลางคืนเท่านฝันว่าเดินได้ท่านเป็นคนพิการเดินไปได้กระโดดสี่ห้า บาดเจนประสาทในไขสันหลังกระโดดน้ะะดํนา แ, แล้วกระโดกปัญหาคนแตกเสร็จแล้วกลางวันเน่ยเดินไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงมันก็เป็นชีวิตที่เหมือนกัติดคุกของความพิการนะนะไปไหนก็ไปไม่ได้เสร็จแล้วกลางคืนพอนอนหลับไปมันก็ฝันว่าไปเตะฟุตบอลไปไว่ายนะ้ําฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่นั่นที่นี่ที่โนูนมีความสุขมากเลย แตพอตื่นขึ้นมาอาก็ยังเป็นคนพิการเหมือนเดิมเนี่ยมันจะอย่างเนี้ยความคิดเดี่ยวปันปันวะ่าซื้อหวยมาเดีย๋ยวดวงรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่วันที่หนึ่ ง, ะะววงมันก็ปลืม้มฝันไปจะซื้อรถสักคันปลูกบ้านสักหลังจะทํำให้นั่นทํำให้นี่ทํำให้ น, น่นมันก็คิดปรงไปก็นั่งยิ้มคนเดียวแต่ว่ามันไม่จริงนะบางทีก็คิดให้สิ่งนี้ผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้วแต่เก็บเพื่คิดให้มันเคลียดได้ใหม่ตอนนี้มันก็ผ่านไปแล้วโล่งปฏิบันความเป็นจริงอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไม่ทันได้รู้ทันมันก็จึงไหลไปในอดีตหลงไปในอนาคตนอยู่เป็นประจำสาหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกกายานุปัสนาติปทานเป็นวิชากรรมฐานเป็นวิชาการฝึกสติการเจริญสติเพเกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาวิปัสนาญาณก็มหมายถึงว่าเราท่องเที่ยวไปใน กาในใจของเราทัศนาจรก็หมายถึงว่าเราเที่ยวไปบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนู้นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนู้นไปดูวัฒนธรรมตะเนียไปดูตลาดตอนเช้าวิถีของชุมชนลุยไปต่างประเทศไปท่องโล ก, กว้างนะอย่างนี้อันนั้นทัศนาจรใช้ตาเนื้อดูแต่ว่าตาในตาสติตาปัญญายอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกหัดให้สติ สัญชญาติยานำกายเป็นสติปัฏฐานขึ้นตัวเนี้ก็เราต้องเจอการพัดพลากจากของรักของชอบใจต้องปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันจะเป็นความทุกข์นะครับอกขับใจเห็นครับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากนะเราก็จะเห็นทุกครั้งที่พลิกมือรู้สึกตัวยกมือขึ้นมารู้สึกตัวเดินจงกรรู้สึกตัว <c oughs> การฝึกกันหัดเลยเห็นสิ่งนี้เป็นประจำนะ จนกทั่งมันเห็นอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าสภาพธรรมเป็นนิวรธรรมบ้างสภาวะธรรมเป็นลณะของสติสีสมานที่ปัญญาความสงบความสุขความอิ่มหมดนั้มันจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสเราก็จะได้เห็นความจริงกันว่าความคิดเนี่ยมันไม่จริงมันเป็นความจริงแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันจริงก็คือลักษณะของ การแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าจของรักของชอบใจตนี้มันจริงเห็นทุกข์เนี่ยมันจริงความทุกข์มันเป็นครูที่ดีมันสอนแบบไม่โกหกเลยความทุกข์เนี่ยแต่ความสุขเนี่ยมันไม่จริงมันสอนแบบให้เราหลงไหลสอนให้เราเห็นแก่ตัวสอให้เรานักเกลียดกันแย่งชิงกันสอนให้อ่อนแอปลอบๆางอาการของความสุขมาแบบนี้แต่ความทุกข์สอนให้เราเนี่ยเหมือนกับวัยเห็นความจริงเลย เราเป็นมิตรแท้เพื่อนตายของเราจะได้ความทุขเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเลี่ยงไม่ได้ยิงวิ่งไล่กับยิงวิ่งหนีในความทุกข์ในความสุขยิงวิง่งขอภัยความสุขในยิงงย่งวิ่งไล่กับยิ่งวิ่งหนีในความทุกข์ในยิงวิ่งหนีกัยิงวิ่งไล่ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมนะจอหรุการนี้มีคนที่กขาลักลูกมากนะเชิดนางกีสาโกตมีนางกีสา เป็นคนที่ครอบครัวมีความสุขวันนี้อยู่มาวันหนึ่งเป็นเศรษฐีตกยากเศรษฐีตกยากเมีคนรังเกียจพี่น้องก็เยอะเยะ้ยเวลาจะทําอะไรทีทีก็หาว่าเป็นแมงปอจะใส่ตุง้งติ้งเวลาจะทํำอะไรทีแสดงออกก็หาว่าคางคกมันจะขึ้นวอคางครึ้นวอแมงปอจะใส่ตุง้งติ้ง ทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่คนขวางกั้นขีดวางมากมายแล้วก็แต่นางก็ทนชง ท, ท่าสร้างเมื่อสร้างตัวแล้วก็มีครอบครัวก็มีครอบครัวปั๊บนางก็มีบุตรรักบุตรของตัวเองมากบุญใจเสร็จแล้วป่วยตายนางก็เศร้าโศกเสียใจนะหวังว่า เป็นผู้ที่สร้างตระกูลแล้วก็พึ่งได้ยามแก่ยามเท่าก็หวังพึ่งรูกกานนี้พอลูกตายก็ไปหาหมอหมอก็รักษาไม่ได้ไม่มีใครรักษาได้ให้ชีวิตมันคือเออคืนฟื้นขึ้นมาใหม่มันทําไม่ได้จะคืนชีพขึ้นมาให้ยาชกชีวิตมันก็ไม่มีหรอกเมื่อหมดหนทางจนด้วยปัญญาก็ ค, คิดว่า อาการอย่างนี้มันมีความทุกข์นางเริ่มเดีอาการวิปลาสเกิดขึ้นไห ม, มเดินไปร้องให้ไปไปหาคนนั้นคนโนู้น ون, คนนี้จนซากศพของหลวงใกล้เน่าแล้วตัวเขียวมีอาการอืบเริ่มที่จะตรงกลิ่นก็ดำลีให้ไปหาโอสมเดสมมาจ้าปรับจิตปรับใจ อ, องค์สมเด็จสำมานจ่าก็ออกอุบา ย, ยาเป็นกุศโลบายที่ดีว่า เราจะช่วยก็ไม่ได้ปฏิเสธและไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยแต่ว่าเธอต้องไม่หาพัน์เมล็ดพันกาจากบ้านที่ไม่มีผู้ตายไม่มีคนตายมาอางกีษสาโรโปรตมีก็เชื่อโดยศรัทธาบุคคลก็เดินไปแบบมีหวังไปขอเมล็ดพันกาจากบ้านคนที่ไม่มีคนตายก็ไม่มีเลย ไปหาบ้านไหนบ้านไหนก็มีแต่คณบอกว่าบ้านนี้มีคนตายแล้วนางก็เริ่มได้สติขึ้นมาโอ้มันไม่มีเลยนะบ้านไหนที่ไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีประสบการณ์ว่าบ้านนี้ไม่เคยมีคนตายไม่เคยมีการพัดพลาดนางก็ได้สติขึ้นมาท้ายสุดอยู่บายวันหนึ่งนางก็คิดถึงว่าโอ้อลชนนะ ผู้ที่ประมาทอยู่เนี่ยนะมารตยุยย่อมทําให้นรชนผู้ที่ประมาทอยู่เกิดความทุกข์ผู้ที่มัวเมาอยู่ในลูกมัวเมามัวเมาอยู่ในสัตว์เลี้ยงรักสัตว์เหมือนลูกรักสัตว์เหมือนกับเพื่อนเทิดทูนมาก พวกนี้เปรียบเหมือนกับพ่วงน้ําใหญ่ที่มันไหลทะลักล้นเขึ้นมาละพัดพาเอาบบุคคลที่หลับไหลนอนแบบประมาทอยู่ไปสู่ความตายได้อย่างนั้นพ่วงน้ําใหญ่ที่มันพัดพาเอาบุคคลที่หลับไหลไปสู่ความตายได้ฉันนั้นก็เปรียบไว้อย่างนั้น เราก็จึงเนีมาฝึกหัดกันตั้งแต่เบื้องต้นไปรู้จักไว้ชีวิตเรามีการแก่การเจ็บการตายแน่นอนในการพัดพลาดจากของรักของชอบใจพัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแน่นอนกันทุกชีวิตเราก็จึงได้เห็นทุกๆขณะที่มันหลงเผลอไปอันเนี้ยมันไหลไปสู่ความทุกข์ทุกข์ก็เกิดจากความคิดอย่างเงี้ยนะคิดแล้วปรุงแล้วแต่งความคิดจะเป็นความคิดปรุงแต่งโดยที่มีความหลงเป็นตัวผลัก มีกีเลสเป็นตัวล่อมีตันหาเทวัอยากกข้าไปแล้วก็เกิดการยึดติดพวกนะี้เราได้เห็นนะมันไม่รู้สึกตัวนี่มันขาดวิชาขาดตัวความรู้เรารู้ในเรื่องของความจริงที่กําลังปรากฏคือ ส, สภาวะที่ดูและเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นมันถึงจะพน้นมันถึงจะผ่านมันก็จะเป็นทางผ่านทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวา ก, การต่างๆที่กาลังปรากฏเป็นปัจจุบันขณะ เนี่ยเราคือก้าวแต่ละก้าวของบุคคลที่จะเดินกันไปสู่เส้นทางเดินสู่มรรคผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นทางเดินผลกาผลทางเดินสู่การพ้นทุกเนี่ยมันมีอยู่ทุกครั้งที่ขับเคืนสู่สภาวะปกติที่กายกําลังเคลื่อนไห ว, วด้วยจิตใจกําลังเคลื่อนไหวทุกครั้งรู้สึกรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นหนทางที่เราจะต้องเดินแให้ผ่านพ้นไปมันเคยมีทางตัน ทางตันก็เรียกว่าตันหานั่นแหละทามันตันแล้วก็หาทางออกกันเรื่องการเรื่องกินเรื่องแก่เรื่องเกลียดเรื่องเกลียดที่ยะเรื่องสรรเสริญเรื่องมีลาภล้วสถาเ น, นี้ยมันเป็นเรื่องของการขนไถ่ที่เรียกว่าตันหาแต่ถ้าเราฝุกมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราได้เห็นว่าเราก็สามารถที่จะนั่งเดินยืนนอนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ ด้วยความชอบทำด้วยด้วยความที่เราไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องเป็นทาามันมีอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องความรู้สึกตัวไม่มีสติก า, า, ารการรู้มันก็จะเป็นเรื่องของใช้อย่างเป็นหนี้ใช้อย่างเป็นทาาพอไม่มีมันก็ทุกข์ก็เรียกว่าเสพ ต, ติดก็ติดจึงอยากเพอยากกินเสพเพระเสพจึงติดทั้งติดจึงอยากทาาั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจจนทา่านเขาสร้างเป็นธุรกิจขึ้นมา สร้างเป็นเรื่องของพาณิชย์ขึ้นมาสร้างเป็นเรื่องของสมมุตินะเป็นเงินเป็นทองเป็นตนบัตรเป็นเหรียญเป็นมูลค่าต่างๆขึ้นมาให้เราได้มีจะได้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างผาสุกอันนี้ให้เราได้ยินได้ฟังเอาไว้ว่าเรื่ของทรัพย์นี่มันมีอยู่สองประเภทแน่นอนก็คือหนึ่งทรัพย์ภายนอก ับไทดอคือสปา์นี่แแหละเราก็จะแปลรูปไปเป็นปัจจัย 4, 5, 6, 7, 8, สี่ห้าหกเจ็ดแปดสปาแต่ว่ายอนเงินในมทีเพิ่มขึ้นก็ได้ไหมายถึงว่าเราจะมีความสุขแต่ถ้าได้มาด้วยความขยันได้มาด้วยสติปัญญาที่เราอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของลาบสการาละตรงนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าติดในลาบสการ์ละก็ได้แค่ได้แค่ใบไม้ไปได้แค่กิ่งไม้ไป แกลาสกาละอย่างนี้ น, นะแต่ว่ามีอีกตัวนึงก็คือวิมุตต์หลุดพ้นนเป็นแก่นตัววิมุตต์หลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆรู้เท่ารู้ทันเห็นโลกตามความเป็นจริงมันเป็นแก่นแล้วก็จะมาฝึกการเห็นกายโล่งกายฟางศอกยาวานาวคือมันเป็นโลกที่มีจิตวิญญาณอยู่โลกสังขารสังขารและโลกลมันเกิดขึ้นและทุกครั้งที่มันปรุงมันแต่งเป็นสังขารและขันจะเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามธรรม มันเป็นนามรูปอย่างเงี้ยนะทุกครั้งที่เรารู้เท่ารู้ทันความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นยานเป็นยานขนส่งสติรู้รู้มันเป็นยานขนส่งทําให้เกิดปัญญาแล้วก็ผ่านได้พอเห็นทางสุดต่องสองทางที่ไม่ควรดำเนินชัดเจนเลยทางหนึ่งเรียกว่าการมาสุขายกายย่อทางทําให้เกิดความสุขอีกทางหนึ่งเรียกว่าอัตตาเกรมหา ย, อย่อคือทางทําให้เกิดการยิตเป็นตัวเป็นตนตแล้วเป็นความทุกข์ในท้ายสุด ก็เรว่ายึดยึดแล้วก็นหนกเลื่อยแต่ว่าเป็นคนแบกโลกก็ว่าได้ตรงนี้ยแล้วโดยเฉพาะโลกที่มันเกิดจากจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกข์คิดแล้พอใจที่แล้ไม่พอใจคิดแล้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมามากมายหลือเกิดเราได้เห็นมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เช้ายันหลับตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับอีกครั้งหนึ่งในคืนเนี้ย เมืจะเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปเหตุการณ์เก่าเก่าปัญหาเก่าเก่าที่แก้ไม่ตกเนี่ยมันจะฝุดเกิดขึ้นมาว่าประทับใจอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วจะแสดงออกมาเป็นมนฑินเครื่อเศร้าหมองอันนี้เราจะได้ประโยชน์จากเขาบางทีก็มีความง่วงเกิดขึ้นมามีความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นมามีความเบื่อเกิดขึ้นมาเราจะได้ประโยชน์จากเขาไปได้ทําแบบฝึกหัดโจทย์ ทุกโจทย์จะได้เฉลยมันผ่านทันทีผ่านทันทีมันไม่ติด ไ, ไม่ตันอันนี้ต้องมีหลักของกรรมฐานก็คือเห็นกายต่างความเป็นจริงเรียกว่ากายญาุปัฏนานิปฐานหนึ่งเป็นแบบสุดท้ายที่หนึ่งชั้นอนุบาลเลยกายเคลื่อนไหวใจรู้กายทําอะไรใจทําด้วยกายอยู่ไห น, นใจก็อยู่นั่นอนุบาลเลยนะแะก็จึงเข้าห้องเรียนกรรมฐานกันนั่ง สร้างจังหวะเดินจงกรมพอมาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นปฐมก็จะเห็นทุกขเวทนาของกายของใจปลายกดขึ้นไปนั่งก็เมื่อยนั่งก็ปวดเจ็บจนเข้ากระดูกชา<ม>จนกระทั่งมันเหมือนกับว่ามันสามารถดูดจิตดูดดใจของเราให้ทุกได้<ม>เราก็ได้เห็นหนาการเหล่านี้เนี่ยเป็นระดับของปฐมศึกษาแล้วจะพัฒนาต่อไปอีกเห็นจิตี่มันคิดนึกปูแตก เป็นระดับมัธยมศึกษาการศึกษาในระดับมัธยมคือมองเห็นจิตมีสติเห็นจิตเห็นจิตสอนจิตตรงนี้เป็นระดับของมัธยมศึกษาจนทําเป็ น, ปนมหาวิเลยมันจะเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมามีวฒนธรรมต่างๆเป็นกิเลสอย่างกลาอย่างไรหรื่ารูปกระทบทางตาเสียงกระทบทางหูเป็นความ ร, รู้สึกตัวอย่างไรเป็นความหลงอย่างไรไม่รู้สึกตัวอย่างไร เป็นวิชายอย่างไรเป็นอาวิชายอย่างไรแล้วก็พัฒนาต่อไปเกิดอารมณ์ต่างๆยินแล้วกวนแล้วโลภแล้วโกรเชื่อมโยงกันสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างไรตาดูก็คิดบางทีเจอหน้าคนอยู่คนหนึ่งนะเห็นก็มันเป็นนึกถึงเพื่อนในอดีตมันโยงไปยังไงอย่างเงี้ยธรรมชาติตัวเนี้ยรูปผล ก, กระทบ่างๆคือธรรมะเสียงว่าัฏทะกระทบทางหูนี่มันคือธรร ม, มะที่ได้ยินเสียงนกอย่างเงี้ยนะ ไปนึกถึงตอนที่อยู่บ้านแล้วก็เปิดแผ่นของจำหลัดเสวตาพร อ, อย่างเงี้ยจะโนในสวนมีเสียงลิ่งหลิงเละไมีนกร้องมันไปยังไงในกะระบวนการเราเนี้ยเวลามารู้สึกตัวมันอยู่กับปัจจุบัน เ, นเวลามันหลงเผลอไปมันไปยังไงไม่ได้หมายถึงว่าผิดไม่ได้หมายถึงว่าถูกแต่ว่าในบทเรียนเราจะมีประสบการณ์อย่างเงี้ยทุกคนมันทีจะคิดวิพากษ์วิจารณ์แตนที่จะเห็นเฉยๆยก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่องที่ก็เป็นวิตกวิจารณ์ พิโต ว, วิจารณ์ก็หมายถึงว่ามันมีสภาพธรรมปรากฏขึ้นมาภายในแต่แล้วมันก็คิดตามบางทีก็เออยกเนอเออยพลิกหนอเออเห็นหนอมันเกิดขึ้นมาเลยซ้อนขึ้นมาเลยเป็นความคิดนะตรงนี้นเป็นอารมณ์พิโตวิจารณ์ลุงตี๋ก็คิดว่าเอ่อนี่อารมณ์ธรรมนะนี่ปิตินะอ๋ออันนี้ปิติก็คือเป็นเรื่องของตัวเราเนี่ยแหละ<ม>เนื้อขนเล็บปันหนังกระดูกตัวนี้ มันก็จะพิจารณาตัวมันเองนะและอารมณ์ของวิตกวิจารณ์หมดเลยวิพายวิจารณ์คือเป็นสนใจเรื่องนอกตัวเรื่องของโรคโลกโลกโรครีญานะแต่ผมเป็นอารมณ์วิตกวิจาร์นะทุกครั้งที่มันขกคิดจนแตกฉานขึ้นมา <boring> มันจะเกิดวิตกวิจาร์ปิตีสุขแล้วก็อารมณ์หนึ่งเดียวเรียกว่าเอกาสตาเกิดขึ้นมาจะได้เจอจริงๆแล้วคนประเภทนี้จะตั้งใจปฏิบัติจะขยันปฏิบัติเพราะว่ามันเห็นตัวเองนะไ ม, ม่เห็นคนอื่นเห็นผู้อื่นม า, มากแล้วนะ พูดถึงสองสาบางคนถึง 2, 3, ถงสามแต่พอมันเป็นแบบมันเห็นตัวเองเนี่ยมันมันตื่นเลยนะมันเหมือนกัารสะจั้์ทำไมคําสอนเหล่านี้พระเจ้าจไปเจอได้ยังไงแล้วก็บอกให้เราปฏิบัติหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านเห็นได้ยังไงท่านไปบัติอย่างไรเราก็จะได้ทําตามท่านพอเราตามตามทำตามท่านเราก็เห็นแล้วโอ้อาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆตรงนี้เรามันจะคุยกับตัวเองมันจะสอนตัวเองบางทีจิตก็สอนจิต เรื่องนี้อย่าทํามือนะเรื่องนี้ไม่ควรทํามือนะมันไปวิตกวิจารณ์ความคิดของเราเสร็จแล้วมันก็รู้สึกอยากทําบุญขึ้นมาบางทีเคยทําให้ดีกับพ่อกับแม่เงี้ยมันก็อยากทําดีขึ้นหนึ่งบางทีมันเห็นบุญคุณของสถานที่อย่างเงี้ยเป็นบุญคุณของกุาลใจมันก็อยากจะกระตันอยู่ตอบออกมาจากใจเลยมันเป็นจิตสำนึกสำนึกดีจิตสำนึกดีเมื่อคิดดีพูดดีทําดีแสดงออกทางกายวาจาใจ เราได้เห็นนะอารมณ์วิตกวิจาร์ปรากฏขึ้นพอทําไปสักพักหนึ่งอารมณ์วิตกวิจาร์จะหายไปมันจะเหลือแต่อารมณ์เราเสกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาคืออารมณ์ปิติกระสุกมันจะเป็นอารมณ์เรียกว่าเป็นวสีเลยเราจะรู้ตําแหน่งของมันว่าตำแหน่งตรงนี้คือมันว่ามันซ่าซ่านออกมาเลยเอาจิตใจของเราที่มันมีอยู่ไม่มีตัวตนเนะั่นแหะเข้าไปแต่เลยแนวะอารมณ์ปิติมันเหมือนเรารู้แหล่งของมันนะั่นแหะ นักบวจะอยู่ได้กพรเรื่องพวกนี้แหละถ้าไม่มีปิติหล่อเลี้ยงไม่มีความสุขหล่อเลี้ยงไม่มีความสงบหล่อเลี้ยงก็คงจะร้อนผ่าเหลืองตลอดกระเพิงหนีไปแล้วแต่ว่ามันมีอยู่อารมณ์ปิติสุขอารมณ์หนึ่งเดียวที่พยายามจะหาอารมณ์ปิติแล้วสังเกตให้ดีคนที่ติดอารมณ์ปิตินะพออารมณ์ปิติมันหายไปปั๊บเนี่ยมันจะพยายามหาอารมณ์ที่เป็นอารมณ์บุญธรรมไปเกิดปิติใหม่ อารมณ์บุญแต่ถ้ามันมีลักษณะของสติปัญญาเป็นสติปัฏฐานอยู่มันจะไม่ใช่เป็นความคิดนะให้ทำเพื่อจะจะเสฟอารมณ์บุญไม่ใช่แต่มันหมายถึงว่ามันมีเหตุปัจจัยให้ทํามันมีปัญหาให้แก้แตรงนีน้มันจะทำํำกันมาแบบนั้นมันจะแดงออกแบบรับผิดชอบแบบนั้นจะถูกรับผิดชอบ ก็คือปกติถ้าผิดเิชอบก็คือปกติมันจะมีตัวปกติเป็นพื้นฐานต้องจิตอยู่ตรงนี้แหละทาให้เกิดทำมาที่เรียกว่าอาถาร ข, ขึ้นมาแสดงออกแบบอาถานขึ้นเราก็รับผิดชอบด้วยมันจะมีอยู่ตรงนี้เลยก็เรียกว่ามีปกติและเกี่ยวข้องทําหน้าที่ตัวเดินหน้าที่ทางใจยวาจาใจาไปอย่างถูกต้องต่อไปก็ถูกต้องคือเราอย่าทุกนะตรงนี้นะแต่อาจจะผิดของคนอื่นเพราะโลกนี้มันหลายมุมมองมากนะแต่ท้ายสุดมันก็เป็นที่ยอมรับกันได้แน่นอน เพราะว่าทํามันเป็นความยึดธรรมแล้วก็มันเป็นความบริสุทธิ์จริงๆเห็นไหมเหมือนกับเมื่อวานที่เปรียบเทียบว่าธรรมที่มีคุณมากมายแล้วเกินแต่ท้ายสุดมันก็มีโทษด้วยอย่างเช่นธรรมชาติของธาตุสี่ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเนี่ยนะมันเป็นคุณถ้าหยิบมาใช้แต่พอดีจะเป็นคุณแม้กระทั่งปรมาโนะเหมือนกันมันเป็นคุณก็เรียกปรมาโนะเพื่อสันติอย่างงี้นะแต่ถ้าใช้ไม่ถูกมันเป็นโทษทันที ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบ น, นี้ใช้ไม่ถูกเป็นโทษทันทีไกลใจลูกทานานทำอย่างนี้อนนี้มันมีภัฟพิรุน พ, รพัฟพิรุนเรียกว่าฝนนั่นนะหรือว่าพระเพลอมเรียกว่าไฟหรือว่าพระแม่พอธรณีดินทีนี้สิ่งเหล่านี้ยมันเป็นคุณแต่ว่ามันก็เป็นโทษ ด, ด้วยแต่ว่าไม่เคยมีความผิดตรงนี้มาให้ถึงอะไรก็มาใถึงความบริสุทธิ์นั้นเอง มันเป็นเหตุปัจจัยก็มีสิ่งนี้จึงมีอย่างนี้ก็มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ الم? แตเราก็ได้เห็นแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองสภาพธรรมมันเป็นลักษณะของเหตุปัจจัยทั้งหมดเราก็จึงได้เห็นมันเหตุปัจจัยต่าง John, การเดินการยืนการนอนตัวจากเหตุอะไรนะนี่ยจนกระทั่งท้ายสุดก็จะมีความเป็นปกติเป็นพื้นอยู่ตรงนี้ยทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเราสัมผัสได้กับความเป็นปกติเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นสภาพธรรมที่ เกิดการจดจำขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่ปกติเคยทำ เ, เคยจำสัญญาเก่าๆ เ, เคยจําว่านี่คือความโกรธนี่คือความโลภนี่คือความหลงนี่คือความรักนี่คือความชังค่อนข้งเป็นจริตนิสัยเย่านี้นะพอมันเกิดการสะกิดนิดเดียวก็ปล่อยขึ้นมาทันทีพอมันเกิดการสะ ก, กิ ด, ดกกขึ้นมานิดเดียวก็เกิดความสุขความทุกข์ทันทีง่ายมาทีจะทุกข์ง่ายมาที่จะสุข ง่ายมากที่มองโลกเป็นแง่ดีง่ายมากที่มองโลกเปนแง่ล้ายตรงนี้ก็คือการฝึกหัดในจิตจนทั้งเป็นจริตนิสัยเป็นคนที่วิตกจริตเป็นพวกราคาจริตเป็นพวกออพุทธที่จริตเป็นพวกจริตต่างๆมากมายลึกเลยที่มันมีอยู่จริงๆนะในชีวิตของเรากันเราก็ได้มาเห็นอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาโดยเฉพาะความคิดอันนี้นะเป็นผู้ของกรรมฐาน ที่เวลาเราเคลื่อนกายเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะกายเคลื่อนไหวจังสติสภาวะผู้ดูน้อ ย, อยปรากฏขึ้นมาจะเห็นกายตามความเป็นจริงนะฮะเราก็เกี่ยวข้องอย่ถูกต้องบางทีก็ทนบางทีก็ปรับเปลี่ยนผ่อนคลายแก้ไขบรรเทาให้เขาแต่ว่าจิตที่คิดออกมาทันทีออกมาทันทีถ้ามีสติจะคืนสู่สภาวะปกติทันทีมันจะรู้ว่าควรคิดไม่ควรคิดนะหรือบางทีนะนะ มันมีกรรมฐานในเครื่องอยู่มันก็กลับมาหาฐานกายทันทีจะเห็นกายนั่งเดินยืนนอนตามความเป็นจริงมันก็จะออกจากความคิดจริงๆทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราเห็นมันโล่งโปรง่งผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวเก็จะรู้สึกเออมันพึ่งได้ทันทีไม่ก็จะไม่จมก็ไปในความคิดนโปร่งโปรงแต่งแต่งต่อไปอย่างนี้ตัวเนี้ยเป็นอนิสงส์ของการปฏิยธรรมมันจะเกิดบาสถาน อันนี้ส่งขึ้นมาก็คือศีลตัวนี้แน่นอนร0อยเอร์ซทุกครั้งที่รู้สึกตัวความเป็นปกติจิติปรากฏขึ้นมาแน่นอนเป็นสัชธรรมเป็นกฎของกรรมฐานเป็นกฎของธรรมชาติตัวนี้แหละโกโหกกันไม่ได้สมัยพุทธกาล2อ0พันหกร้อปีผ่านมาที่คนพบเ น, นะแล้วก็ตั้งแต่เสด็จดับขันมะลินที่ผ่านไปก็2ันห้าร้อยห้าสิบหกปีจนถึงวันนี้ล่ะ ก็ได้เรียนรู้รับรู้รับทราบแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติกันนะเดี๋ยวพราะคอสี่สิบวันอันนี้ก็เข้มค้นแล้วมันก็ผ่านมาแล้วนะหลายวันแล้วก็เรียกวา่านั่งเดินยืนนอนจะทําอะไรก็ช่วยบรรยากาศเก็บตกกันต่อไปแล้วก็ครูพยาบาลท่านเคยฝึกขัดมาการหลวงพ่อนลงที่วัดป่านาโพแล้วเราจะให้บรรยากาศนี้สิ่งรอบนี้ให้ท่านได้มีโอกาศต่อยอด มันง่วงก็ให้มันรู้ทันความง่วงไวขึ check, ้นมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็ให้ผ่านให้ไวขึ้นมันคิดมันมาเท่าไหร่ก็รู้ทันเท่านั้นแล้วก็ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นจนกระทั่งมันก็ว่าสติมันตื่นรู้ตื่นดูมันเห็นความจริงสติเห็นกายสติเห็นจิตใจสติเห็นความคิดนึกคุณแต่งแล้วสติมันรู้สติมันเห็นตัวมันเองว่าตัวมันเองมันก็บังคับบัญชาไม่ได้เหมือนกัน บางทีมันก็มีบางทีก็หลงบางทีมก็ว่างทีก็วางบางทีก็แปลงร่างเป็นสติรู้รู้อยู่งทีก็เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมบางทีก็รู้รอบกอสังขารบางทีก็แปลงเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งบางทีก็เป็นการรู้รู้รู้ถูกต่อเนื่องเชื่อมโยงได้นานๆบางทีแปลงร่างเป็นปัญญา สติปัญญามันมาโดยการขณะที่มันมีปัญหามีความทุกข์มันก็รู้ทันแล้วก็ผ่านทันทีตรงนี้มันก็จากยาไปหาละเอียดมันก็เห็นความคิดนั่นแหละที่มันโลงมาไหลปูงมาไหลก็เป็นอารมณ์ทันทีอย่างเงี้ยนะอารักษพูดมาก็ประมาณสามสิบนาทีก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้นับกบวชที่ตั้งูออกตั้งใจหรือว่า ทุกคนทุกท่านที่อยู่ในชุมชนวัดป่าสุขโตวัวในขณะนี้ที่มาแล้วก็ขอให้มีความสุขมีความสุขมีความสุขที่ตั้งใจปวิบัติขอให้สัมผัสธรรมก็คือความรู้สึกตัวตั้งแต่อยากไปหาละเอียดสมควรแก่การปฏิบัติเจ น, นทั้งมีความเป็นปกติเต็มพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะผ่านทุกได้จนกรั้งถึงที่สุดแห่งกองทุกในปีวันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกลูกทุกนานเทิน